ตัวจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องกรรมวิบากเป็นฉันใดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30เมษายน2535ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ มีคนเขียนมาถามเรื่องว่าสงสัยเรื่องวิบากกรรมนะบอกว่างี้บอกว่าเมื่อสอสามวันที่ผ่านมานี้พอท่านได้พูดถึงเรื่องการไปทํางานที่สะอภัยและท้าไปเหยียบตํำอ้นหนามพอท่านพูดว่าเหมือนมันเป็นวิบากแต่ก็ไม่ใช่วิบากเพราะหนามมันไม่มีวิญญาณว่างั้นอาตมาว่างั้นนะดิฉันเคยได้ยินอาจารย์พร น, นะที่เขาอธิบายธรรมะทางวิทยุเรื่องอภิธรรมว่า กรรมที่เราไม่ได้เจตนากระทํามันก็จะมีวีบากถึงเราเหมือนกันโดยที่เราก็ระวังอยู่และป้องกันอยู่เช่นเราเดินไปเหยียบแมลงสาบตายโดยที่ไม่โดยที่เราไม่เจตนาเลยต่อมาเราได้ไปปิดบานประตูถูบานประตูหนีมือเอาหรือว่าเรากําลังใช้มีดฟันไม้อยู่แต่ก็พลาดเลยมาฟันน้าแข่งตัวเอง นี่เป็นการได้รับวิบากของกรรมที่เราไม่ได้เจตนากระทำ น, นี่อาจารย์พอรอธิบายว่า ง, งั้นที่เราได้ทําให้สัตว์ตายหรือเจ็บโดยไม่เจตน า, <c oughs> าเป็นอย่างนั้นอขอความกรุณาพอรอาจานอธิบายให้หายสงสัยด้วยค่ะที่ว่าอาจารย์พอรอธิบายนั้นถูกหรือไม่และการที่เราได้รับบาดเจ็บโดยที่เราระมัดระวังแล้วการบาดเจ็บนั้นจะไม่เนื่องมาแต่วิบาก อาตมาบอกว่าเราไปเหยียบวิบากก็ไม่ใเหยียบวิบากว่าไปเหยียบน้ํานะเราไปเหยียบน้าเดินไปเหยียบน้ํานี้แล้วอาตมาก็บอกว่ามันเป็นวิบากแต่ก็ไม่ใช่วิบากเพราะน้านั้นไม่มีวิญญาณก็หมายเขาว่าอย่างนี้คือ น, น้ำนั้นนะมันจะเป็นวิบากอะไรได้หรือไปบากไห้น้ำมันไม่ใช่ธาตุที่มีวิญญาณที่จะได้รับวิบากกรรม เพราะมันไม่มีเจตนามันไม่มีวิญญาณมันไม่มีอะไรมันเป็นธาตุโลหะธาตุดินธาตุดินธาตุดินธาตุดินลมอะไรเฉยเพราะฉะนั้นมันจะมาร่วมวิบากกับเรานี่ยนะมันก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยนอกมันไม่ได้คุ้มตัวเองวิบากนี่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณที่จะมามีมีผลต่อกันและกันนะถ้าไม่มีตัววิญญาณเลยเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นวิบากโดยตรงนะมันจะวิ่งมาทําเรา มันจะมีเจตนาลมมาทเรามันก็ไม่มีเจตนาเราก็ไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาทั้งสองส่วนไม่มีมันก็ถ so ือว่ามันไม่ใช่วิบากมันไม่มีเจตนาไม่ถือว่ากรรมไม่ถือว่าวิบากเพราะว่าเราก็ไม่เจตนาหนามันก็ไม่มีเจตนาหมดพ้นเจตนาทั้งสองส่วนทีนี้ที่อาตมาเคยบอกว่ากรรมที่เราไม่เจตนานี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิบาก ที่มันมีวิบากนั้นอาตมาหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตเราอาตมาเคยยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปเหยียบมดตายก็เคยพูดเราไปฆ่าเหยียบหัวงูวันนั้นดูไม่จะอายกวอย่างยกตัวอย่างงูด้วยนะต้องเหยียบที่หัวมันด้วยอาตมาจำได้ว่าเหยียบหัวให้มันถูกหัวนะถ้าไม่ถูกหัวมันแวงมากัดเอาไม่รู้้วยนะเยียบไปตรงเพลเลยเหยียบหัวมันแบนแตกเลยตายเหมือนกันนะเหยียบหัวงู มาจำได้ว่ายกตัวอย่างเหยียบหัวงูวันนั้นพูดว่าวิบากเราไม่เจตนานะไม่เจตนาเราไปเหยียบมันตรงหัวมันพอดีเป๊ะแล้วมันตายจะไปบอกว่าอย่างนี้ไม่มีวิบากเราเราเองเราไม่เจตนาเนี่ยไม่เกิดอาบัติไม่เกิดวิบากที่เป็นอาบัติแต่ว่าจิตวิญญาณของงูมีจิตวิญญาณของงูมีจิตวิญญาณมันของงูมันจะอาฆาตเรา มันจะพยาบาทเรานั้นเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นวิบากแล้วมันผูกอาฆาตผูกพยาบาทต่อไปมันก็ทำของมันได้มันก็คิดของมันได้มันเป็นวิญญาณมันวิบากนะก็เราไปเหยียบหัวมันตายแล้วมันก็บอกว่าไอ้นี่มาเหยียบผมกูตายกูจะอาฆาตมันไปต่อมันก็อาฆาตเราได้เราห้ามมันไม่ได้หรอกอันนี้แหละถึงเป็นวิบาก อย่างนี้นี่คุณยกตัวอย่างมาบอกว่าอาจารย์พรพูดถึงว่าไปาไปปิดประตูไม่ระวังและประตูมันหนีบมือแลว้วมันเป็นวิบากมันจะเป็นวิบากอะไรล่ะวิบากก็วิบากของคุณอ่ะที่นี้ฟังวิบากดีดีวิบากของคุณก็คือคนคุณก็เคยชินสิชินอะไรชินความไม่ระมัดระวังปิดประตูก็ไม่คอยระวังปิดถ้าคุณปิดจะไม่ระวังแบบนี้เสมอ จนเก่งไงนะคุณก็จะมีวิบากเก่งที่ปิดประตูหนีมือตัวเองทุกทีไปอาตมาเดินไปเหยียบไ ป, ไปเหยียบหนามนะที่อาตมาบอกว่ามันเหมือนเป็นวิบากแต่ไม่ใช่วิบากมันเป็นวิบากแต่ว่าไม่ใช่วิบากเหมือนเป็นวิบากแต่ไม่ใช่วิบากนั่นนะอาตมาเดินไปเหยียบหนาเพราะอาตมาไม่ระวัง ถ้าอามาระวังดีๆนะไม่ให้มันเหยียบน้ํามันก็จะเป็นความสามารถตกเป็นวิบากของอาตมาว่าอาตมาระวังดีมีความเนียกสงบบอนระวังดีๆจริงๆมันก็จะชินมันก็จะสั่งสมลงที่จิตวิญญาณความละเอียดอ่อนประณีตความชาความสุขขุมความอะไรก็จะเป็นที่อาตมาสั่งสมวิบากที่ดีแต่ไอ้หนามเนี่ยมันไม่มีวิบากอะไรกับเราหรอกหนามมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีวิญญาณ มันไม่มีบากอะไรกับเราเก็ไม่มันไม่จองเวรกับเรานอกจากเราจะมีวิบากกับตรงที่เราไปจองเวรกับหนามไอ้หนานี่ที่หลังเจอหน้าเขจะฟันในแหลกหมดเลยนี่เราไปจองเวรกับ้ําคุณไปเจอน้ําอีกทีไรคุณก็ไปฟันมันแหลกที่นั้นคุณคิดว่าคุณจะจองเวรมันจริงๆริงเลยนะเจอหนามเมื่อไรไอ้นี่เหยียบเมื่อไหร่แล้วมันแทงมันแทงตีนข่าข่าเจ็บข่าก็โกรธอาฆาตเจอน้ําเมื่อไรเขาจะทําลายมันเขจะฟันมันยับเยินเลยนั่นก็เป็นจิต ของคุณสร้างวิบากให้แก่ตัวเองอาคาดไปอาคาดแม้กระทั่งมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรคุณก็ไปอาคาดมันตั้งแต่ตัวเองนั่นแหละไม่ระวังเดินไปไปเหยียบมันเองมันก็อยู่ของมันอ่ะมันไม่ได้รู้เรื่องอรูราวอะไรเลยมันเกิดของมันมาตามภาวะของอต้นไม้เสร็จแล้วมันก็หล่นลงมาเป็นหนามแต่ตัวเองก็เดินไปเหยียบมันนะมันไม่รู้เรื่องรู้หน่อยเน่อะไรเลยแล้วก็ไปโทษมันคนไปโทษไปเพ่งโทษมันนั่นแหละตัวโง่ของคนของคุณเอง คุณยิ่งไปเพ่งโทษมันคุณก็ยิ่งไปใส่ความมันคุณก็ยิ่งโง่ใหญ่ไอ้โทษอะไรไม่โทษไปโทษหนามโธมันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกคุณจะเอามันไปฝังไปเผาคุณจะไปสับมันให้มันแหลกไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็แค่นั้นมันไม่ทุกข์หรอกนะหนามอ่ะมันไม่มีจิตวิญญาณมันจะไปรู้ทุกข์รู้สุขอะไรไม่เจ็บไม่ปวดอะไรด้วยซ้ํามันไม่รู้เจ็บรู้ปวดอะไรด้วยซ้ำนะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจทุกด้านนะถ้าเราจะเรียกว่าวิบาก เราควรจะหมายถึงตัวที่มันทำกระทํากรรมเองเป็นสัตว์เป็นต้นหรือคนเป็นต้นสัตว์เป็นต้นหรือคนเป็นต้นโดยเฉพาะคนเพราะคนเรานี่แหละจะเกิดวิบากอาตมามีวิบากบอกว่าเหมือนวิบากแหละเพราะว่าอาตมาไม่ระวังเองก็ไปเหยียบมันไปวิบากเขาอาตมามีวิบากเดี๋ยวนี้แล้วอาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องนะว่าไอ้นี่จะต้องมาเป็นวิบากเพราะว่ามันจะต้องมาเป็นน้าให้เราเหยียบมันไม่จริงอะ่ะ ไม่มีอ่ะไม่มีใครมาบันดาลบันดลสร้างให้นามนี้มากองอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเรายต้องไปเดินไปเหยียบไม่มีอ่ะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเท่านั้นอยู่ตรงนั้นอ่ะหลบได้เลี่ยงได้มันไม่มีสิทธิ์จะวิ่งมาหาเรานามพวกนี้เราหลบมันได้เราเลี่ยงมันได้มันไม่มีสิทธิ์วิ่งมาหาเราแมงสาบมันยังวิ่งมาหาเราได้งูเงี้ยววิ่งมาหาเราได้ สัตว์มันวิ่งมาหาเราได้คนโดยเฉพาะคนที่มีจิตวิญญาณนําพามาอาฆาตมาร้ายแล้ววิ่งมาหาเราได้แน่เพราะฉะนั้นเ ร, เราเองเราไปโทษมันไม่ได้เลยโทษตัวเราคนเดียวอย่างหนามเนี่ยหรืออย่างประตูเนี่ยปิดประตูไม่ระวังมันหนีมือแล้ว ไ, ไปโทษประตูไม่ได้โทษตัวเองคนเดียวแต่ถ้าพิษสัตว์ที่มีวิญญาณก็อาจจะโทษมันบ้างมีวิบากที่จะพุ่งเพ่งมีวิบากที่มันจะต้องมีตัวเชื้อของจิตวิญญาณนําพา มีบ้างเหมือนกันนะมีได้บ้างแม่สัตว์ก็มีได้บ้างแต่สัตว์มันก็จะไม่รู้สัตว์นี่ก็ยังไม่ค่อยชัดเหมือนคนหรอกสัตว์มันก็ไม่ค่อยรู้นะมันก็ไม่เคยจําไม่เคยรู้รว่าโอ้ยคนนี้มันเป็นวิบากไอ้คนนี้จะต้องจองเวียนจองกรรมอะไรมากมายเกินการแต่มีเหมือนกันสัตว์ที่มีวิบากจริงๆเนี่ยในนิทานในชาดกก็มีเป็นวิบากที่เคยทําแก่กันและกันมา พอถึงชาติปางนี้สัตว์ตัวนี้มันก็มาแก้คืนมันมามีการแก้ไม่แก้แค้นบ้างหรือว่ามาช่วยเหลือเฟอื่องฟายบ้างสัตว์ก็มีเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสัตว์มันก็ไม่มีเหมือนคนคนนี่แหละจอมยุดไม่ใช่จอมยุดนะจอมยุดจอมอาฆาตจอมราคะรักจัดหวงหาอาวรนจัดหรือว่าทําร้าย พยาบาทอาฆาตแก้แค้นจัดจัดกว่าสัตว์แต่คนก็ดีก็สัตว์ตรงที่วันละวางเรียนรู้พัฒนาเมื่อมันมีความแค้นสัตว์นะ่ถ้ามันมีการพยาบาทมันก็ล้างความพยาบาทมันไม่เป็นพัฒนาตัวเองไม่ได้เขาว่างูจงอางนี่ยอดพยาบาทนะยอดพยาบาทเลยก็จริงมันล้างไม่เป็นหรอกมันเรียนรู้ไม่ได้ คนนี่แหละเลวได้จัดและก็ดีได้จัดดีได้มากๆเลวก็เลวได้มากๆด้วยว่าเราจะต้องเรียนรู้พวกนี้ให้จริงแล้วก็ละล้างให้ดีสรุปแล้วคำว่ากรรมคาว่าวิบากวิบากเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าเราต้องไปหมายเอาสิ่งที่มีวิญญาณอย่าไปหมายเอาสิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งนี้ไม่มีวิญญาณเขาไม่มีกรรมไม่มีวิบากอะไรด้วยแต่สิ่งที่มีวิญญาณแม้ต่เป็นสัต ที่อาตมาก็พูดไปแล้วว่ามันมีมีส่วนที่จะเป็นมีบากด้วยแม้เราจะไม่เจตนาแม้เราจะอโหสิอีกฝ่ายนึงที่มีวิญญาณก็มีวิบากที่จะสั่งสมนะรุนแรงก็ได้นะหรือว่าไม่รุนแรงก็ได้ตามจริงมันมีรุนแรงจริงมันก็จริงมันไม่มีรุนแรงมันก็ไม่รุนแรงจริงตามเรื่องของมันแม้เราไม่เจตนาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ผูกยึดผูกรกักผูกแค้นอะไรได้เหมือนกันเพนะราะเราต้องระมัดระวัง อย่าให้มันไม่เจตนาก็ตามต้องระมัระวังอย่าให้เกิดไม่เจตนาก็ต้องระมัดระวังจริงๆจะไปแก้ตัวแต่คำว่าไม่เจตน า, าทำร้ายทำลายอะไรไปไม่ไดอ้อย่างนั้นไม่ไม่ถูกไม่ควรเขามีการเคยออกข้อสอบกันเลยนะในทงางพวกพระนี่นะพอออกข้อสอบกันบอกว่าพระรูปหนึ่งขึ้นไปทำสร้างกุฏิว่าไนะ ถือค้อนตอกตะปูถือเครื่องมือตอกอะไรอยู่ ข, ข้างบนหนักเสร็จแล้วก็ตอกมันหลุดมือโดยไม่เจตนาไอ้ค้อนหนักอันนั้นก็หล่นลงมาใส่หัวพระข้างล่างรูปหนึ่งตายอย่างนี้ประราชิกไหม <S <S 1> <S 1> เพราะไม่ได้เจตนาเขา <S <S วะก็ <S <S คือเอาขอสอบกันทีนี้เขาก็อ่างกันว่า ก, ก็ไม่เจตนาไม่ถือว่าประปราชิก ไม่ได้เจตนาก็ถือว่าไม่ประราชิกเพราะว่ามีมีจิตเจตนาจริงๆจริ ง, ร ง, รงๆก็ต้องพิจารณาถึงจิตอย่างนี้ด้วยเหมือนกันไม่ได้เจตนาจริ ง, รงๆไม่ถือว่าเป็นอาบัติประราชิกอะไรแต่ก็อาจจะต้องอต้องพยายามที่จะระ ง, งับเมือนกันนะพยายามที่จะต้องระมัดระวังสังวรระวังเหมือนกันแม้ไม่ประราชิกก็มีอาบัติเขาเรียกอาบัติทุรจใจเหมือนกันนะ เขเคยออกข้อสอบกันนะเพราะงั้นเราศึกษาธรรมะนี่เราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่าคำวมาวิบากหรือไม่วิบากนี่ม่เกิดตามเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ตามสัจจะที่แท้จริงนั่นที่อธิบายไปแล้วเราจะรู้ละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามสําคัญที่ว่าเราเองเราจะต้องเรียนรู้จิตวิญญาณของเราว่ามันมีกิเลสเจตนาทําผิดเจตนาทําชั่ว ลงไปหรือไม่นั่นหนึ่งสองเราได้เป็นผู้สุขุมประณีตสังวรระวังในดีๆในกายกายกรรมก็ตามวิจีกรรมก็ตามโดยเฉพาะมโนกรรมต้องสังวรระวังสำรวมรู้เท่าทันอ่านอย่าให้กิเลสไปร่วมให้ละเอียดละอ้อขึ้นไปนั่นเป็นตัวสําคัญเพราะฉะั้นในเรื่องที่จะเกิดวิบากตามไม่ตามมันก็อยู่ที่ปัจจุบัน อยู่ที่เราสังวรระวังอยู่ที่เราได้ควบคุมกายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นสําคัญแล้วก็อยู่ที่ปัญญาของเราจะเรียนรู้ว่ากุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกต้องแท้จริงหรือไม่แท้จริงถ้ามีญาณปัญญาดีๆอ่านกิเลสกุศลหรือบาปหรือกุศลหรืออกุศลกุศลดีบุญอกุศลบาปอ่านได้ชัดวิเคราะห์วิจัยได้ชัดแล้วเราก็มีกําลังทางจิต ที่จะเอาชนะอกุศลเอาชนะบาปทําแต่กุศลมีกําลังทั้งจิตที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมรู้ทั้งรู้ด้วยวิปิกุศลแต่ไม่มีกําลังจิตก็ทําไม่ไหวเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งไม่มีเพราะกิเลสมันต้านมันดึงเอาไว้มันแยง่งเอาไว้มันยือ้อยุดเอาไว้กิเลสมันว่าอย่าไปทําเลยอย่าไปทําเลยเสร็จแล้วก็สู้แรงกิเลสไม่ได้ มันมีจริงๆในตัวเรานี่แหละกิเลสพวกนี้เราจะต้องเอาชนะกิเลสพวกนี้ให้อยาให้มันมีแรงต้านเราแม้แต่กุศลที่เรารู้ว่าควรจะทำก็ไม่มีแรงไปทำกุศลเนี่ยซวยตายนะรู้ว่ากุศลก็ไม่มีแรงไปทำกุศลขี้เกียจก็เท่านั้นกิเลสมันออเสาะหาเรื่องหาเหตุหาผลอะไรเก่งนะกิเลสฉลาดนะกิเลสไม่ใช่ตัวโง่หรอกกิเลสเนี่ยโง่จริงๆก็เป็นกิเลส ฉลาดจริงๆก็เป็นกิเลสกิเลสเนี่ยฉลาดจริงๆก็ยังเป็นกิเลสได้เลยฉลาดเฉกะตาฉลาดที่มันไม่รู้จักสัมมาไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักสุจริตไม่รู้จักสิ่งดีสิ่งประเสริฐนะมันฉลาดไม่รู้เรื่องเอกฉลาดนะมีเหตุมีผลลดเรี้ยวโอ้เอาชนะคานอะไรได้สารพัดนะกิเลสเนี่ย โง่ก็คือไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็เป็นกิเลสกิเลสตัวจริงเลยแหละมันโง่มันไม่รู้อะไรไม่เจริญแน่แม้ไม่โง่แล้วฉลาดก็เป็นกิเลสได้อย่างมหาศาลเราจะต้องเรียนรู้ความถูกต้องความดีความประเสริฐที่แท้ที่ถูกทางโดยไม่โง่และก็ต้องฉลาดรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นกุศลต้องเป็นอย่างนี้สุจริตต้องเป็นอย่างนี้และก็ต้องสร้างให้ได้ มีกำลังใจมีแรงมีแรงที่จะเป็นอย่างที่รู้ว่าดีอย่างที่รู้ว่ากุศลอย่างที่รู้ว่าสุจริตต้องมีแรงที่จะทำโดยไม่ตื้อไม่ตาน ไ, ไ, ไม่เหนื่อยไม่เฉยปรุดเลยพอรู้ว่าดีปับ๊บเราจะทาขยันทาปุ๊เลยแรงปุ๊บไปเลยมีวิริยรำพะมีการพร้อมในความขยันความเพียรแข็งแรงไม่เหยาะแยะไม่ย่อย่อนไม่ป้อแปบปวกเปียก ไม่ผัดวันประกันพูดปรพุ่งไม่ไม่เฉยล่องแคล่วปราดเปรียวแข็งแรงทันทีทันใดคนอย่างนี้ก็ไม่ช้าในการที่จะเจริญไม่ช้าเร็วจะได้ก็ต้องฝึกต้องเรียนเรียนรู้เรียนอ่านกิเลสละเลิกกิเลสกิเลสตัวแข็งแรงตัวพัฒนาที่จะเป็น ความขยันหมั่นเพียรนี่ซักซ้อมเข้าไม่ซักซ้อมมันเกิดขยันเองไม่ได้หรอกรู้ว่าขยันคืออะไรแต่เราไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนให้เกิดจิตที่ชํานาญจิตที่มันซักซ้อมจําชํานาญมันก็จะคล่องตัวขยันมันก็จะกลายเป็นตัววิริยารำพะหรืออัดจารทะใช่เอ๊เดี๋ยวหย่อนเพียรก็ อรัฐวิริยะกอาจารัฐวิริยะไม่ฮะเล่าต้องพยายามที่จะให้มีความแรงในความขยันนะเพราะว่าตัวคนเนี่ยกิเลสมันมจะไม่ไม่ไมคยมีความแรง จ, จะขยันนะโอ้โหยมันก้าไเคยออกเล จ, จะขยันนี่มันอยไม่เคยเคลื่อนรู้นะว่าขยันดี แต่มันไม่เคยเคลื่อนอแรงงานมันไม่ค่อยเดินเรื่องว่าเราก็จะต้องเคลื่อนให้ได้เคลื่อนในจนคล่องจนกระทั่งเป็นรอบที่มีแรงไอ้รอบที่ไม่แรงเนี่ยอัตมาไม่รู้จะว่ายัางไง ร, รอบที่มีแรงจนกระทั่งง่ายได้ติดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะเบาจะง่ายจะคล่องจะไม่ฝืดเหมือนกับรถที่ยังไม่ติดเครื่องเนี่ยโอ้ยหมุนไปเถอดหนักเพราะติดเครื่องแล้วมันหมุนเองเลยเบามันไม่ถึงรอบของมัน เพรจะสั่งสมไม่ถึงมวลไม่ถึงรอบไปถึงขนาดถึงขีดถึงเขตของมันพอถึงขีดถึงเขตแล้วขีดมันมีทุกเรื่องทางวัตถุธรมก็มีทางนามธรรมทางจิตวิญญาณก็มีเพราะฉะนั้นเข้าถึงรอบมันแล้วนี่มันจะคล่องมันจะสบายถ้าผมยังไม่ถึงรอบของมันแล้วนี่มันไม่คล่องไม่ค่อยสบายหรอกยากฝืดต้องศึกษาฝึกฝนให้มีเหตุปัจจัย ให้มีสิ่งที่เราได้สั่งสมได้กระทำจริงๆบางคนเรารู้แล้วไม่ประพฤติปฏิบัติแต่จะรู้ๆู้ผ่านวันประกันพุ่ง ย, อ ย, อย่อย่อนย่อใหญ่อย่นั้นนะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปสู่รุมฟังศพปเดี๋ยวก็ตายชีวิตนี่ไม่ไม่ยาวสั้นนิดเดียวต่อให้บุงคนอายุถึงร้อยปีตายก็เถอะสั้นนิดเดียวไม่ยาวเลยไม่ไม่ยาวแค่ไปกี่ปีนี่ พวกเรานี่อาตมาพยายามที่จะมาให้พิสูจน์กันว่าพวกเราจะอายุยืนอีกหน่อยเนี่ยในเมืองไทยในกลุ่มไหนอายุยืนที่สุดต้องเรียกว่ากลุ่มโอโซกจริงๆนะอาตมามั่นใจอย่างนั้นอยู่จริงๆน ะ, ะกลุ่มอโศกนี่แหละเพราะว่าเข้าใจทั้งรูปและนามเข้าใจทั้งสภาพสรีระและจิตวิญญาณอ่าเพราะฉะั้นเราสามารถที่จะรังสรรค์ให้ได้ดีทั้งจิตวิญญาณทั้ง สรีระร่างกายนั่นที่เขาจะเจริญไปด้วยความสุขด้วยยืนานานไปด้วยความสุขด้วยอายุยาวยืนในทางโลกเขาเก่งเหมือนกันนะเขาเรียนรู้ทางสรีระและเขาก็ต่ออายุให้มันยืนยาวไปก็เก่งแต่ว่าไม่เก่งทางวิญญาณไม่เก่งทางด้านาศาสนาแนวลึกที่มันเป็นตัวตัวทำลายทางจิตวิญญาณเขาก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้จิตวิญญาณตายก่อน กายเป็นสรีระนี่เขาก็ยังเลี้ยงสรีระไว้ได้เป็นมนุษย์พืชเป็นมนุษย์ผักนะเออไม่ใช่มนุษย์ผักนะมันเนาะมนุษย์ผักเขามาเรียกพวกเรานะพวกเรากินแต่ผักมนุษย์พืชคือมันเหมือนพืชดิมันไม่มีวิญญาณแหละมันไม่มีวิญญาณหรอกมันมีแต่พลังงานขนาดหนึ่งนะเป็นพลังงานขนาดหนึ่งแล้วพลังงานอ น, นั้นมันก็เป็นพลังงานตามธรรมชาติ ที่จะสังเคราะห์ที่จะทําอะไรอะไรหมุนเวียนแล้วก็ให้เซลล์มันมีเซลล์เหมือนกันมันมีระบบของมันเหมือนกันเสร็จแล้วก็สังเคราะห์ไปอยู่ไปคนก็มีเซล ล, ลอ์อยู่แล้วมีการสังเคราะห์อยู่แล้วให้หมุนเวียนไปอยู่ยงั้นนี่ยมันรู้สึกสมอะไรแล้วชอยแต่ว่าไม่ตายเหมือนพืชไม่ตายให้อาหารให้น้ําให้อาหารให้อากาศได้อากาศได้น้ํำได้อาหารได้แสงสว่างได้อะไรอะไรที่สมควรพอเป็นพอไปอยู่อยู่ได้อยู่อย่างนั้นแหละ เลี้ยงตนเลี้ยงชีวิตไปอยู่อย่างนั้นแหละเป็นมนุษย์พืชทรมานไม่เข้าเรื่องเขาราอะไรหรอกไม่มีประโยชน์เป็นภาระโดยซ้ําทางโลกนี่ไม่มีวิญญาณอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยจเจริญทางวิญญาณรู้จักวิธีการที่จะให้วิญญาณแข็งแรงอยู่ให้สมสมสัดสมส่วนควรตายก็ตายไม่ควรตายก็อยู่ไปและจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่รู้ดีเลยว่ามันต้อง ได้รับความรู้ได้รับความพัฒนาได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเกิดความเป็นหนี้เกิดความขาดทุนอะไรก็รู้เกิดความกําไรเกิดความพัฒนาเกิดความเจริญก็รู้จิตวิญญาณจะมีตัววินิจฉัยและจะเป็นคนอายุยืนอย่างมีประโยชน์คุณค่าวินิจฉัยว่าสมควรไม่สมควรอย่างไรอย่างไรอายุยาวนานเพราะว่าเราปรับทั้งสองส่วนทั้งด้านรูปด้านสรีระทั้งด้านนามทั้งด้านจิตวิญญาณ แต่สัตว์ได้ส่วนที่ดีนะอะไรอะไรเราก็ไม่ไปผลาญไม่ไปทําลายนักคนทุกวันนี้ทําลายตัวเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองทําให้ตัวเองอายุสั้นพ่อนทรงแม้แต่สิ่งแวดล้อมแม่แต่สารพิษแม้แต่อะไรอะไรเขไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแม้แต่ทําลายชีวิตให้มันเศร้าหมองให้มันกดดันให้มันระเบิดให้มันทนทรมานสุดท้ายก็ทนไม่ได้ตายนะ แต่ของเรานี่จะเข้าใจว่าขัดเกลาม่ถึงขั้นกดดันขัดเกล้าต้องสู้ฟื้นเหมือนกันมีธรรมามีคันติมีจาคะปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอดอีเสร็จแล้วก็มีตัวเบิกบานที่เรารู้ว่าเราได้อะไรเราเป็นคนยังไงความเจริญคืออะไรมีคุณค่าประโยชน์คืออะไรแล้วก็เบิกบานราเริงชะลอเลี้ยงไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเกินการตัวที่เหน็ดเหนื่อยหนักหนาเพราะว่าเราจะต้องพากเพียนก็รู้อยู่ว่าพากเพียน ไม่เกินจนกระทั่งทำลายสรีระทำลายร่างกายส่วนจิตใจนั้นรู้เลยว่าพอดีเราทำได้ขนาดนี้ไม่อึดอัดไม่สะสมตัวกดเก็บกักกดอะไรไม่มีเราก็ปฏิบัติไปด้วยดีอายุจะยืนยาวจริงๆยืนยาวอย่างแข็งแรงด้วยยืนยาวอย่างเบิกบานร่าเริงด้วยยืนยาวอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไม่จะยืนยาวอย่างแบบสรีระ เป็นมนุษย์พืชอย่างที่กล่าวไปแล้วหนักเข้าก็ไม่ได้เรื่องในราวธรรมานิมีมากมายของพระพุทธเจ้านี่จะทําให้คนเรานี่เจริญหรือเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขพะเสพสมอย่างโลกียสุขนะเป็นสุขอย่างที่อาตมาสาธยายดูก็ยังไม่ค่อยครบไม่ค่อยหมดสักทีเป็นสุขอย่างมีประโยชน์คุณค่าเป็นสุขอย่างไม่เป็นป่วยเป็นเจ็บอะไรเกินการจะบอกว่าเราเจ็บป่วย วิบากมันก็ต้องมีบ้างเออย่างที่เคยยกตัวอย่างขนาดพระสมมารสะระพุทธเจ้ายังมีวิบากที่จะต้องเจ็บต้องป่วยสมมหาอะไรกับเราขนาดคนเราๆอย่างเราๆบุญบาปมันมีต้องมากทั้งมากกว่าท่านโดยเฉพาะบาปโดยเฉพาะอากุศลเราก็ยังเหลืออยู่มากกุศลเราก็สั่งสมยังมันยังไม่มากนักเพราะฉะนั้นมันวิ่งหนียังไม่พ้นหรอกอกุศ ล, ลวิบากมันต้องวิ่งตามทัน อ่ามันต้องเข้ามาเล่นงานเราด้วยเราบ้างแน่นอนบอกแล้วว่าไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยที่เราจต้องเจ็บต้องป่วยต้องโอยต้องโอดต้องโอยต้องเป็นแต่นั่นแหละมันก็น้อยได้ตามที่เราสั่งสมกุศลวิบากมันมีริด ม, มีแรงมีอํานาจทันหนีทั น, น, ทนไปได้ไวไปได้ไกลเรื่องจริงเลยนะแม้ว่าเราจะพิสูจน์ในชาตินี้มันจะไม่มีมากพอพอที่จะเห็นได้ ได้สะสมไปเถอะบางอันบางอย่างคุณจะเห็นได้จริงๆแล้วโอ้นี่มันเป็นได้แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์ได้ในชาตินี้ก็เห็นผลว่าโอ้เราเพราะสั่งสมกุศลอันนี้กุศลอันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยเหลือเฟือฟายเราไว้เกื้อหนุนเกือ้อกูลอุปธรรมเราไว้เพราะกุศลที่เราได้สั่งสมนี้จริงๆคนเราทําไมเชื่อกรำไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อกุศลอกุศลจริงๆก็ประมาทสร้างกุศลสร้างอากุศล กุศลนั้ไม่มีปัญหาใดรหรอกแต่ไปสร้างอากุศลทั้งๆที่ทรู้อกุศลที่ไม่ควรจะสร้างนี่ประมาทนี่สิพราะไม่เชื่อว่าวกุศลอกุศลมันมีฤทธิ์มีผลแต่เชื่อว่าวกุศลหรืออกุศลนี่มันมีฤทธิ์มีผลคนเราก็จะหยุดสร้างอากุศลจะหยุดได้ก็ต้องมีกําลังเจโตมีกําลังใจมีปัญญารู้ว่าไม่ดีจริงๆไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยชัดมันต้องหยุด เราก็จะหยุดได้ดีถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีมันควรหยุดแต่ยังวิจิกิจฉานะคุณทําไม่ได้ดีหรอกหยุดไม่ได้ดีหรอกยังลังเลขนาดไม่ลังเลเนี่มันยังหยุดไใ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี่ยมัใช่ง่ายๆขนาดไม่ลังเลนะมันมีวิจิกิจฉาแลยบอกว่ดีดนี่ฝึกฝนอย่างนี้เถอะละลดเลิกอย่างเงี้ยเถอะกิเลสมันนี่ก็ยังแรงเลยยังต้องฝึกฝนในมันมีกําลังซ้อนเชิงซ้อนเชิงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆให้มากม มันจึงจะสมบูรณ์มันจึงจะบรรลุมันจึงจะเข้าไปถึงจุดที่อเสขะหรือจุดที่ไม่ต้องฝึกฝนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติอีกได้จริงๆรนะิอัตมาสาธยายธรรมะสู่พวกเราฟังนี่น า, นานาสารพัดก็คิดว่าพอเรารู้นะแต่อย่าหลงตนว่าเรารู้เท่านั้นต้องพยายามศึกษาฝึกฝนเข้าไปผู้ที่ได้แป่นแล้ว อาตมาก็ว่าอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคาราวะโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นนักบวชแล้วได้แป่นได้บรรลังแม้แต่จะจางประบวชแล้วเกเรเกตุงเหมือนพระทั้งอีกส่วนหนึ่งทั้งภาคหนึ่งที่เขาทํากันอยู่ละมาบวชเป็นพระแล้วได้บรรลังคนจะต้องมาถวายทานคนจะต้องมาทําบุญด้วยเป็นจารีประเพณนียแล้วดีไม่ดีเขาก็ไม่คิดอะไรมากอ่ะคนคนส่วนใหญ่เยอะเยอะแยะทําบุญทำทานเห็นว่าเป็นพระสักดิแต่ว่าพระ จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระจริงแล้วเป็นพระจริงก็ชังให้ไปเรื่อยเขาก็ได้รับส่วนบุญส่วนแบ่งอะไรไม่เข้าเรื่องได้มาแล้วก็กินก็ใช้อาศัยชีวิตต่อไปที่ไม่ดีลักลอบทําชั่วนะผิดศีลผิดธรรมเป็นพระประราชิกแล้วก็มีสังฆาฏิเศษอยู่ก็มีนิกสิกยะปัจจิตีหรือปัจจิตีอยู่ก็มีไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไดเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจจะที่จริงที่จริงด้วย เขาประมาทเขาไม่เข้าใจช่วยโอกาสมาทำบาปได้เปรียบเสร็จแล้วก็ออกนอกดีนนอกรายจนกระทั่งตัวเองเป็นพูดถึงขั้นปราชิกแล้วนะยังเป็นได้อยู่เลยเพราะพวกเราเนี่อาตมาอยากจะให้พวกเราสังวรระวังให้มากๆภาคเพียนุษาหะวิริยะเถอะเราได้แป้นนี่แหละเรากลายเป็นช่วยโอกาสแล้วมันเป็นบาปใหญ่บาปมาก้วยเพราะเราอยา่าไปประมาทยิ่งเขาให คุณค่าของสิ่งที่เขามาให้ราคายิ่งแพงให้อย่างบูชาเคารพเท่าไรให้อย่างศรัทธาเลื่อมใสเท่าไรยิ่งแพงคุณค่ายิ่งแพงข้าวเม็ดหนึ่งข้าวก้อนหนึ่งเนี่ยราคาทางโลกมันอาจจะเท่านั้นแต่ราคาทั้งทำนี่แพงนะคือสอตบางเคยยกตัวอย่างบ่อยว่าข้าวก้อนเท่าเดิมนี่แหละก้อนเท่านี้เอาไปหาให้หมากินได้บุญขนาดหนึ่ง เอามาให้คนธรรมดากินนี่ได้บุญมากกว่าให้หมาแน่นอนก้อนเท่าเก่านี่แหละเอาข้าวก้อนเต้าเก่านี่ไปทําบุญกับพระอริยะเพิ่งเพิ่มขึ้นไปให้โสดาก็ได้บุญมากขึ้นกว่าให้คนธรรมดาไปทําบุญกับสกิทาอาณาคาราหันขึ้นไปอีกก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกเป็นลําดับลําับยิ่งไปให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าปัจเจกสมมาสพุทธเจ้าหรือพระพระพุทธเจ้าเลยโดยตรงก็ยิ่งได้บุญสูงขึ้นไปตามลําดับข้าของมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่เราไปตั้งนะ เราไปสมมติไม่ใช่มันเป็นค่าจริงๆอ่ามันเป็นค่าจริงๆเพราะอะไรเพราะเราให้แก่ผู้ที่สมเหมาะสมควรผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าในโลกมากก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเราไปให้กับไอ้โจรยิ่งไปให้กับพระที่มิจฉาทิฏฐิดีไม่ดีเป็นพระขี้หลอกขี้เอาทําลายสังคมเป็นตัวอย่างอันเลวทรามอยู่ด้วยนะโอ้ยิ่งบาปใหญ่เลย เพราะการทําบุญที่ไม่มีปัญญาการทําบุญที่ไม่ไม่ตรวจสอบไม่ศึกษานะทาบุญจริงมันพ้นเจตนาคือไม่เจตนาเราว่าจะทําบุญกับเขาเพราะเขาเป็นคนชั่วเป็นพระกร็ตามเป็นพระที่ชั่วเราก็ไม่เจตนาไปทําบุญกับพระที่ชั่วนั่นหรอกแต่เราไม่รู้ไม่ได้ศึกษามันก็เป็นวิบากเหมือนกันอย่างที่อาตมายากตัวอย่างเราไปให้ปืนให้แก่ไอโจรโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโจร ก็เหมือนกับเราก็ไปทำบุญกับพระที่ไม่ใช่พระที่แท้เป็นโจรอยู่ในศาสนาเป็นมหาโจรด้วยในศาสนาเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับเอาปีตเอาปืนไปให้โจรน่ะมันก็ไปทำลายทำลายสิ่งที่เขาเป็นโจรน่ะพระก็เหมือนกันแต่พระที่เป็นโจรเราไปสนับสนุนส่งเสริมให้พระให้มีกินมีอยู่มีใช้มีอาวุธมียุทอาวุธยุทธโภคณ์อะไรด้วย เขาก็ยิ่งทำบาปได้ร้ายแรงได้คล่องขึ้นเราเป็นผู้ไปสนับสนุนส่งเสริมมีส่วนแห่งบาปนะมีส่วนแห่งบาปไม่ใช่มีส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันนะมีส่วนแห่งบาปให้ผลแก่ขันให้ผลแก่ชีวิตจริงๆเหมือนกันนะการทำบุญนี่จะต้องมีปัญญาจะต้องสอดสองดูแลถึงจะเป็นทานที่มีผลสูงเป็นสังฆทานที่ดีจะต้องพิจารณา พยายามตรวจสอบจะสุมสี่ซุมหเละเละเลๆอย่างทุกวันเนี้ยปล่อยเป็นเละเลยเสร็จแล้วไอ้โจรก็ได้ช่วยโอกาสเพราะเขาไม่สอนกันว่าพระที่ไม่ดีพระที่ไม่จริงพระที่ไปทําบุญด้วยแล้วยิงก็ไปทําบุญก็ให้ข้าวให้หมากินยังได้ราคาแพงกว่าก็ได้ได้จริงๆนะพระบางรูปเนี่ยเป็นพระประาชิกเป็นพระที่แย่เป็นคนแย่ๆนะไม่ได้เป็นพระหรอกเป็นพระอะไรเป็นพระที่ผิดอบัตร จนกระทั้งต้องขาดจากความเป็นพระไปแล้วก็ตามหรือแม้ไม่ขาดก็เป็นพระที่มีด่างพร้อยมีโทษมีทันมีอะไรตามจริงอะนะทั้งมาตั้งมาจนกระทั่งไม่ควรจะได้ชื่อว่าพระแล้วก็ตามมีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ไปทําบุญกับพวกนี้มันพลอยพลาให้พลอยทําให้ไปบุญยีปุยําศาสนาลดทอนความบริสุทธิ์สะอาดความถูกต้องของศาสนาลงมาเป็นบาปใหญ่นะ การที่ลดหอนลดทอนทำให้ศาสนาเพี้ยนทำให้ศาสนาคนอื่นเข้าใจผิดคนอื่นเข้าใจศาสนาผิดเข้าใจทางปฏิบัติพราทางปฏิบัติผิดอะไร่างี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องบาปไม่ใช่น้อยเพราะถ้าเป็นธรรมนา ก, ก็ดีเป็นนักบวชก็ดีเป็นผู้ที่ขึ้นมาสู่เป็นความเป็นนักบวชเนี่ยจะบาปก็บาปมากนะทบาปเท่ากันกับฆรวาส แต่ค่าของความบาปจะสูงกว่ากันนะทํำพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยคราวาสเขาก็ทําผิดทําบาปอันนี้พระก็ทําผิดทําบาปอันนี้เหมือนกันอบัติแพงเกันค่าของอบัติค่าของความผิดแพงเกันแพงจริงๆนะแพงจริงๆยกตัวอย่างสมมุติมาก็เท่านั้นแหละนะประมาทหรือความสูงส่งจริงๆแล้ว คุณพยายามใช้ปฏิาพานปัญญาติดตามฟังแล้ววินิไฉเอาดูให้แล้วก็นแหละมินิไฉดูเองดีๆให้ก็แล้วกันวเวลาทำบาปเท่ากับฆราวาสเนี่ยสมณะก็ตามบาปมากกว่าฆราวาสบาปมากกวา่ายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆรูปธรรมเล็กๆพระเจ้าตัดอะไรไว้เป็นสัจจะทั้งนั้นฆราวาสนะไปผิดพลาดนะเพราะฆราถือศีลแป ผิดพลาดเมตุนธรรมไม่ถึงประราชิตหรอกอขรวาวัตแต่พระไปผิดพลาดเมตุนธรรมประราชิกบาปใหญ่เลยบาปหนักต้องออกจากาศาสนาไปด้วยไม่ส่งเสริมไม่สอนแล้วแต่ขรวัตยังอยู่แม้เขาจะผิดศีลปผิดเมตุนธรรมตามที่เขาถือแค่ศีลแปดเขาผิดพลาด ไม่ถึงประราชิกหรอกในบาปใหญ่บาปหนาหรอกไม่บาปใหญ่บาปหนาเท่าพระพุทธเจ้าอ้ยไม่ใช่เท่าผู้บวชเท่าพระอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในนัยละเอียดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอีกก็จะระมัดระวังอาจารย์ตือนเตือ น, นสมณะแล้วมาบวชแล้วเนี่ยหรือมาเป็นนักบวชเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมาบวชแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ผิดกัน ค่าของบาปก็ผิดกันค่าของบุญก็ผิดกันแล้วจริงๆมาเป็นนักบวชเนี่ค่าของบาปก็ผิดกันค่าของบุญก็ผิดกันเราไปทำบาปชนิดที่คราวาทําบาปเท่ากันเนี่ยพระบาปกว่าารวาสบาปน้อยกว่าหรือทำบุญก็ดีทำกุศลผละบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตใจของพระถ้ามีจิตใจที่ดี ทำบุญก็มีสมาทิฏฐิทำบุญก็ไ ม, ม่มีเรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะไม่ใช่เรื่องผิดพลาดมันต้องเป็นบุญมากกว่าเนี่ยทำบุญในเรื่องเดียวกันะจะบุญอะไรก็แล้วแต่กุศลอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านถึงเรียกว่าทางโปร่งมาบวชแล้วนี่ยทำบุญก็ทำบุญได้มากกับกันเรียนรู้เรียนรู้ได้มีเวลาเรียนรู้ได้มากบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่ามีความรู้สอนมีทฤษฎีหลกักมีอะไรอะไรเข้ามาอีกมากมาย เป็นโอกาสเป็นทางโลกบริสุทธิ์ดูสังขัดโดยส่วนเดียวจริงมาบวชนี่ดีอย่างงี้แต่มาบวชก็เสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเราไม่ดีจริงๆเราก็มาทําบาปไปเยอะเพราะค่าของบาปมันซับซ้อนอย่างที่พูดไปแล้วเราจะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้เท่าทันง่ายๆเพราะนั้นบาป บ, บุญเหล่านี้ต้องมีปัญญาค่าจะเกิดจริงเป็นจริงตามจริงของมันแล้วต้องมาเรียนรู้ อย่างไรคิดค่าว่าอย่างงี้บาปมากอย่างงี้บาปน้อยอย่างนี้ไม่บาปอย่างนี้เป็นบุญต้องมาเรียนรู้อีกมากมายให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ไปทําผิดพ ล, พลาดมาเป็นพระมาเป็นภิกษุมาเป็นนักบวชแล้วก็ไปทําสิ่งที่มันบาปมากบาปหนาะอย่างที่อาตมา ก, กล่าวไปแล้วกับคารวาะก็ดีเปรียบเทียบกับคนนั่นคนนี้ก็ดีนะมันเราต้องพยายามศึกษาธรรมะนี้มันมีสัจจะของมันที่หลายอย่างหลายอัน ที่จะต้องเข้าใจด้วยตนเองสัมผัสสภาวะโดยตนเองและจะเป็นผู้แข็งแรงเป็นผู้ที่รู้ว่าศาสนานี้มีของจริงมีเนื้อสาระที่เราสามารถจับต้องได้ยืนยันได้จับต้องได้ยืนยันได้แม้จะกล่าวคำว่าอารหันหรือว่าความไม่ใช่อรหันยังมีส่วนเศษส่วนเกินอะไรครวาวนีนปฏิบัติได้จะรู้รูปรู้นามมียานรู้นามของรูปที่มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้่ถ้ามันเป็นกิเลส ก, ก็รู้ชัดลดกิเลส ก, ก็รู้รู้ได้ใช่ใชจริงๆเราลดได้จริงก็รู้ให้จริงว่าเราเราลดได้จริงๆรินี่เป็นตัวสัจจะเป็นตัวปรมัตดที่เราจะรู้ว่าเราจเจริญจริงไม่จริงก็คุณต้องอ่านจิตเจตสิกเป็นจริงจริงทเรียกว่าอภิธรรมหรือเรียกว่าปรมัดถ้าคุณอ่านกิเลสไม่เป็น โดยเฉพาะยิ่งอ่านกิเลสไม่เป็นและยังแถมทําให้กิเลสลดก็ไม่เป็นพอรู้ตัวว่ากิเลสเออมันก็กินตัวเราเราไม่รู้จะทําท่าไหนให้กิเลสมันลดกิเลสมันก็งอกเงยงอกงามไปอยู่นั่นแนะอย่างนี้ยังไม่ถือว่าพ้นมิฉาทิฏฐิไม่ถือว่าหมุพลนมิจฉาทิฏฐิ แม้คุณจะรู้ทฤษฎีถูกต้องอย่างไรอย่างไรอย่างไรแต่ภาคปฏิบัติของคุณยังไม่ถึงขั้นเป็นอนิจจังโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นอนิจจังก็มีเงื่อนไขอีกว่าอนิจจังตัว น, นั้นไม่ใช่ว่าหนาขึ้นทนาขึ้นเรียกว่าปุตตุชนถ้าลดลงเรียกว่าพระหรือเรียกว่าสมณะเรียกว่าพิษุผู้ทำทำลายกิเลสให้แก่ตนเองอย่างแท้จริง เนี่ยอาตมาพูดยสำซ้ำซ่าเนี่ยคิดว่าคงจะพอระลึกได้คงพอเข้าใจได้นะไม่มีขีดเคจจริงๆนะทุกคณฟังอาตมาไปไม่เพลินๆนี่ฟังไปอ๋ออาการอย่างนี้เองเนาะอาการของการรู้กิเลสเมื่อรู้กิเลสแล้วเราก็สู้กับกิเลสสู้ชนะมันแท้ได้จุดศูนย์หนึ่งแหว่ากิเลสได้จุดศูนย์หนึ่ง คุณก็เดินเข้าสู่ทางสัมมาอริยมจรจุดศูนย์หนึ่งจริงๆได้มากก็เข้าทางมากเท่านั้นและบอกแล้วว่าเคยพูดจำทุกทีละถ้ามีปริมาณในขนาดหนึ่งเรียก ว, ว่าถึงขีดมันถึงรอบของมันมันรอบจุดฉวานมันรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันเร็วทอารอบขนาดนี้มันไม่ติดรกเครื่องมันนือเนื อ, น อ, นอยากๆอยู่นั่นแหละ แต่ถ้าเรารู้จักเครื่องรู้จักจุดว่าเออตรงนี้แค่นี้ถ้าเราพยายามตัดอันนี้ออกตัดอันนี้ออกถึงขนาดนี้ขนาดนี้แล้วก็จะเป็นคนไม่งมงายเป็นคนชัดเจนรู้สิ่งที่เกิดที่เป็นที่มีคือมันเกิดในตัวเรามีกิเลสก็รู้แล้วก็ไปปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะละกิเลสนั้นๆก็ได้ถูกสภาพถูกเนื้อต้องตัวไม่ใช่ไปศรรียัตปรามาต ไม่ใชแค่รูปๆคำๆได้ขีดได้เขตกูจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์สตาร์อย่างที่อาตมาว่าถึงรอบดีๆมันพิ่มาติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยถ้ารอบไม่ดีนะสตาร์แต้วงแวงแงวงแงวงอย่างแหละจนแบตเตอรี่หมดจนขี้เกียจจะสตาร์ก็กลับไปสู่ที่เก่าไม่ได้อาศัยพาหะัะศีลที่สตาร์ได้นี้เพราะสตาร์ยังไงก็ไม่ติดระวังเด้อพวกจอมจอมยึด จอมหนืดสตาร์ดยังไงก็ไม่ติดเค้นยังไงก็ไม่ขื่นเคนยังไงก็ไม่ไปอ่าเตจเงกักนี่นั่นแหละใครได้มากได้น้อยก็ติดเงกอยู่ที่เก่าใ น, นระว่างเพื่อนฝูงไปโบกมือย้อยยอยอยู่ที่ฝั่งนิพานแล้วพวกนุยพวกคุณนะ่ะยังย่อยอบางเดียย่อบางที่เหมือนเปรยขอส่วนบุญเนี่ยแหนผูกเขาไปได้แล้วครั้งทั้งที่ก็มาทีหลังเขาก็ไปได้ก่อนอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้น พูดเหมือนรูปธรรมให้คุณฟังให้คุณพิจารณาตามเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วคุณะระลึกละระลึกได้ก็แก้ไขไปพัฒนาไปอาตมาเองอาตมายิ่งทํางานกับพวกเรานี่นะอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่าอาตมาทำงานกับพวกเราเนี่มากขึ้นงานมากขึ้นเนี่ยขอถามบ้างว่าจริงๆแล้วนี่มันควรจะ มันมีงานมากขึ้นมันก็ต้องจุกจิกยกแยะภาระหนักขึ้นลำบากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ยิ่งโตขึ้นคนหลายระดับหลายจริตมารวมกันอีกอพวกติดแป้นก็มีพวกอุตสาหะวิยะย่อนยอนก็มี พออุสาหะิริยะิดีบ้างก็มีดีมากก็มีดีปานกลางก็มีดีน้อยก็มีมีอย่างเงี้ยอาตมาไม่กล้าพูดแล้วว่าตัวรวนก็มีไม่กล้าพูดเพราะไม่คิดไม่อยากคิดด้วยว่าจะมีมีไหมฮะมีไหะตัวรวนมีด้วยเหรออาตมาบอกแล้วว่าอยากจะพูด ไม่อยากให้มีจริงๆอะ่ะไม่อยากจะพูดนะพูดแต่แค่พูดไปเท่านั้นนุนก็พอแล้วที่จริงก็หนักหนาสากันแล้วแล้วยังแถมมีตัวรวนด้วยแล้วเป็นไงก็เหนื่อยก็หนักแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอาตมาขอย้ำอีกพูดยืนยันอีกว่าอาตมาไม่ทํางานอื่นหรอกอาตมาจะทํางานนี้ทํางานนี้ ไม่ท้อแท้จริงๆนะเหนื่อยก็เหนื่อยจะลําบากอย่างที่ว่าน่ยวิเคราะห์ฟังแล้วมันลาบากเพราะพวกเราบางคนก็เอาขี้เท่าเท่า น, นั้นบางคนไม่เอาฐานบางคนฐานยังไม่เอาขี้เท่าก็ไม่เอาด้วยมันก็จะไปได้เรื่องอะไรเพราะเอาฐานเอาขี้เท่าเอามัง่งเอาภาระแล้วมันก็จะได้เจริญไปได้วยกันนะ จะเหนื่อยยังไงอาตมาก็สบายใจจริงๆอาตมาไม่เคยกังวลไม่เคยทุกร้อนหรอกอย่าว่าใจดำเลยนะบางคนที่สร้างเรื่องอยังง้นยังงี้วุ่นวายถ้าเป็นบางคนก็ปวดหัวปวดหัวนอนไม่หลับนะอาตมาไม่ยึดหลอกไม่ติดใจหรอกแต่รู้ตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ไม่ดีอะไรจะ ต, ต่อเรื่องใหม่ก็ต่อจัดการอะไก็ต่อรีบจัดการอะไรไปก็ทําถึงเวลาพักอาตมาก็พักถึงเวลาเพียนอาตมาถึงจะเพียนอาตมา อาตมาว่าอาตมารู้พักรู้เพียรเพราะงั้นอาตมาไม่ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องเอาไปคิดทำปวดหัวหมองถึงเวลาหลับเวลาพักอาตมาพักสบายตื่นขึ้นมาก็เอา้าต่อเสร็จแล้วก็ช่วยกันอีกต่อไปได้ดีได้ดีอะไรกัดีกันไปอาศัยกันไปอยู่ด้วยกันดีๆไปอย่างเงี้ยอาตมาว่าอาตมามีบุญนะพวกคุณเนี่ยมาสแสวงดีหรือสแสวงชั่ว แล้วพวกคุณมีดีกันขึ้นมาไหมมีดีขึ้นมาคนไม่ดีเราก็พยายามที่จะคัดเลือกนะมาตรฐานคนที่ต่ําก็มาตรฐานเราก็คัดออกคนที่ได้มาตรฐานก็อยู่รวมกันได้โดยวิธีการเรามีวิธีการคัดเลือกอยู่ในตัวของมันเองไม่ได้หุรุนแรงไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกราะคนที่ขี้เกียจจัดจัดอยู่ไม่ได้หรอก คนคีดเกียจจัตจัตอยู่ไม่ได้หรือคนที่มันโง่โง่เงาเงาคุณเกินการฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ทนอยู่หรอกหรือคนที่มีกิเลสโลกียะจัดจจันจๆๆๆ ille, านฉ ล, ล า, ลาดก็ได้นะคนที่มีกิเลสโลกียะจัดจจันจานเนี่ยมากันเอาแต่ลาลาบยศสันเสรโลกีสูงมาอยู่ที่นี่ไม่อยู่หรอกอยู่ไม่รอดหรอก <im Northern consciousness> <im itos> เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยคนที่อยู่นี่คือคือกลุ่มของคนดี แล้วอาตมาได้อยู่กับกลุ่มคนกลุ่มคนดีนอาตมาไม่มีบุญหรือไงฮะมีบุญแล้วมีบาป พ, พวกคุณก็เป็นคนที่มีบุญเหมือนกันนะอยู่ให้มันได้แล้วกันอย่าให้เขาไล่แล้วกันเขาไล่เมื่อไรก็หมดบุญเมืน่อนั้นนะหรือเขาไม่ไล่หรอกเขาเองไปเอง อ, อยู่ไม่ได้อคนหมู่นี้ออยู่ไม่ได้พวกคนหมู่นี้มันดูสิมันเคร่งเครียดเกินไป มันเอาจริงเกินไปนะมันไม่เอาใจเราเลยมันไม่อนุโลมเราเลยไมมันไม่ยอมเราเลยอะไรก็แล้วแต่นะคนที่มีอัตา ม, มานะแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกหรือมีกิเลสกรรมก็ทำอยู่ในอยู่ในที่นี้มีกิเลสกามมากจนหน้าเกลียดเราพวกเราก็บอกอู้อยังงี้ไม่ไหวหรอกจัดจานกิเลสกามแบบนี้มันเกินมาตรฐานพวกเราเอาเถอะไปอยู่ข้างนอกเถอะถึงไม่ขจัดเขาก็ไปของเขาเองหรอเพราะเขาอยู่ที่นี่ก็ทําไม่ได้ เขาจะมานั่งทําแหนดีลากำเนะ้อดีลากายกนะรรมกามี่ขนาดนี้วิจีกรรมกามขนาดนี้มาทําอย่างขนาดรูปขนาดนี้อยู่ไม่ได้หรอกปรเดี๋ยวคนนั้นมองทีคนนี้มองทีคนไหนบางทีไม่มองเปล่าอดไม่ได้บอกนี่อย่างนี้มันไม่น่าดูเรามันน่าเกลียดอะไรว่าไปให้บางงงอย่างนี้ดีไม่ดีไม่ว่าเพราะอย่างอาตมาว่าเรานะด่าเลยเพราะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดรู้สึกว่ามันไม่น่าทำใช่ไหมเขาก็รู้สึกเขาก็ด่าเลย ทนไม่ได้หรอกอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันทนไม่ได้มาตรฐานของมันมีเป็นวัฒนธรรมที่าในตัววัฒนธรรมไม่หมู่กลุ่มมันจะมีนะคนนั้นอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยออกไปเพราะเราเองเรายังจะมีกรรมขนาดนั้นอย่างนั้นอยู่เขก็ต้องไปอยู่ในหมู่อื่นสังคมอื่นที่เขาไม่ปฏิเสธนะสังคมนี้ปฏิเสธกรรมขนาดนี้กรรมที่ไม่ไม่ได้มาตรฐานเขาปฏิเสธก็จะ จะอยู่รวมอยู่กับหมูยากอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาสามัญนะอาตมาเองอาตมาอยู่กับพวกเรานี่สบายนะมีงานมีการอะไรก็ว่า ก, กันบอกกันก็พอทาไม่ต้องถึงขนาดบังคับนะไม่ต้องถึงขนาดบังคับลากทุลู่ทุกักกกงนะจะต้องใช้หยาบคายอย่งงางน้นอย่างนี้ไม่ต้องหยาบคายอะไรขนาดพวกเรานี่ขนาดนี้อาตมาก็ว่าหยาบแล้วนะ อาตมาว่าพูดกับพวกเราขนาดนี้อาตมาก็ว่าพูดพูดพูดแรงแล้วพูดหยาบแล้วถ้าหยาบมากมากกว่านี้อาตมาเห็นทีไม่ไหวอะขนาดนี้น่ก็ขนาดนี้แล้วใช่าะพวกเราก็ยังพอไปกันพออยู่กันได้มีองค์ประกอบมีเสนาสนะบุคคลก็พัฒนาขึ้นเป็นบุคคลสปายะขึ้นอาหารเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภค แล้วก็รังสรรกันขึ้นมาหามาพออาศัยกันไปพออาศัยกันมาอยู่กันไปเลี้ยงดูกันไปน่าเอ็นดูนะเมื่อวันนั้นประชุมครูบอกว่านักเรียนเนี่ยมีศิทมาต์รินฟ้าบอกว่าตัดชุดให้นักเรียนหญิงอนะไรเงี้ยอัตมาเลยแซวอ๋อดีนะลําเอียงให้แต่หญิงนะที่ฝ่ายชายไม่ตัดให้ พวกฝ่ายชายเขาก็มีเสื้อม่อห่มเสื้ออะไรแต่และอล้าวห่มหรือไม่ห่มคุณก็หาให้มัง่งอะไรเราก็คุณมาหาให้แต่ฝ่ายยิงฝ่ายชายไม่หาให้เลยอตอนนัดให้คนละสองชุดด้วยฝ่ายชายชุดหนึง่งก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้หาให้ด้วยม่อห่มง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าทําไมไม่หาให้มัง่งอ่ะเาว่าัตมาก็ชี้ว่าอย่างนี้ก็เอียงนะอัตมาพูดไปเชิงพอสมควร วันรุ่งขึ้นหรือสองวันรุ่งขึ้นไม่รู้อัตวาจําไม่ได้แล้วล่ะมีคนมาให้ข่าวบอกว่าทั้งด้านศิกรรมาสเตรียมตัวจัดตัดท้ายนักเรียนฝ่ายชายแล้วนะโอ้เงินน่าเอ็นดูนะฟังๆเลวเออน่าเอ็นดูเอะไรพวกเราก็อย่างนี้แหละไม่รู้ลูกหลานใครแล้วก็มานั่ ง, งยงับผ้ายับเสื้อให้นุ่งให้ห่มมานะให้ใช้ไปอยู่กันไปอเลี้ยงดูกันไป มันน่าเอ็นดูนะคนเรานี่อะไรนิดอะไรหน่อยแค่นั้นก็รู้สึกเออเรารู้สึกว่าเออมันไม่ดีนะเราก็ค้นขวายได้ก็ค้นขวายเถอะพยาพยามใครมีช่วยกันได้ก็เสียสละสร้างสรรค์ขึ้นมาเกื้อกูลกันไปพออาศัยมีกินมีใช้มีเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปใครจะเสียสละก็เสียทนได้คนไหนแข็งแรงทนได้มากก็เสียสละมากๆหน่อยก็ได้คนไหนไม่แข็งแรงก็เอาให้เขาไปมากๆหน่อย แต่ก็ให้ขัดกลาบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไปให้บำเรอรซะจนกลายเป็นคนติดนิสัยติดสันดานติดบีบากที่เลวไปเลยไม่พยายาอุตสาหะวิริยะก็ไม่เจริญเราก็ต้องระังระวังมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะสังคมที่เรากําลังสร้างกําลังก่อเ น, นี่ยอาตมาเคยพูดกับพวกเราว่าอยากจะให้มันแหมวันนี้เหมือนกับมันผ่านไปอีกสัก20่สิบปีสามสิบปีนะ อมันจะเป็นยังไงนะมันไม่เป็นเท่านี้หรอกนะอาตมาว่าไม่เป็นเท่านี้หรอกชาวโศกเสนาสนะก็จะไม่เป็นอย่างนี้บุคคลก็จะไม่เป็นอย่างงี้นะพวกเราก็ต้องเจริญขึ้นบ้างแหละอีกจริงๆสามสิบปีนี่นะจริงๆนะเพราะว่าเขียเข้ยวก็เขี้ยวอยู่เข็นก็เข็นกันอยู่อย่างงี้เนี่ยมันจะดื้อด่านขนาดไหนกันเชียวอาลากทรูลู ก, กางกันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันต้องไปได้บ้างอ่า แต่ท่านพูดเจริญเอ่ยอยากให้อัตมาลากมากนักมันเมื่อยมันหนกักถึงจะอัตมาตั้งใจจะลากก็จริงอยู่ก็ได้โปรดกรุณาช่วยอัตมาด้วยอยาให้อัตมาต้องออกแรงต้องลากมากนักมันไม่ไหวนอมันหนกักมันเหนื่อยมันเออมันก็ไม่ต้องพูดต่อก็คงเข้าใจแล้วอะนะ แต่คิดว่าไปเถอะเดินไปถึงอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะช่วยตัวพยายามสาหะเตือนตนสังวรภากเพียงขึ้นไปหรืออาตมาต่างหลากจูงจูงบังกอดตามคนไปได้รอดคนไปไม่ได้รอดจะตกลน่นตกกล้องจะต้องออกไปอยู่ที่อื่นบ้างกาะคงจะมีบ้างแม่พูดแล้วยังไม่รู้เลยหน้ า, หนาไหนบ้างคนในมันจะถูงไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นหน้าแล้วไม่ใช่ตายนะยังอยู่นะมีชีวิตอยู่แต่อยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละสังคมแล้ว ยังไม่รู้ได้ว่าจะเป็นใคราสาธุขออย่าเป็นเรานะนาใครอธิษฐานอย่างนี้บ้งางนะคนเดียวเหรออ๋อนอนนั้นไม่อธิษฐานอย่างนี้เหรอสาธุขออย่าเป็นเราเลยอย่างที่ว่าหรือว่าสาธุขอให้เป็นเราแหมใครคงไม่อธิษฐานอย่างนี้เนาะ สาทุกข้อยเป็นเราเนี่แหละที่ต้องตกต้องล่นออกไปเนี่ยถ้าอีกสาสิปีดังกล่าวแล้วเราไม่ตกไม่หล่นออกไปนี่นะอาตมาว่าหลายอย่างเลยนะนี่ยเป็นองค์ประกอบเสนาสนะก็จะเปลี่ยนไปบุคคลก็เปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นแน่กิจการของเราไม่เหมือนระบบผู้ทุชนอย่างไรไม่เหมือนระบบทุนนิยมอย่างไรอาตมาก็ขยายความอยู่อธิบายให้พวเราเข้าใจอยู่่ะ กิจการพวกนี้จริงมันอาจจะเป็นกิจการเหมือนเหมือนกันกระเช้าโลกเขามียเขาเป็นนั่นแหละแต่ในองค์ประกอบในรายละเอียดของมันไม่เหมือนโดยเฉพาะเจตนาลมพวกเราแม้แต่เจตนาลมแม้แต่กรรมกิริยาที่เราลงไปแล้วจะทําการอย่างไรพฤติกรรมของเราทํากับกิจการเหล่านี้รงแรงไปผลิตออกมา ของเราทําโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรเจตนาไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยเจตนาให้เป็นสิ่งที่ใช้ใอุปโภคบริโภคเครื่องคราวอะไรที่จะเอาไปอาศัยให้คนได้อาศัยดีๆมีเจตนาบริสุทธิ์กว่าไม่ซ้อนไม่แฝงอะไรเป็นพิษเป็นภัยพยายามที่จะเอาออกให้มากให้เหลือพิษภัยน้อยที่สุดหรือไม่มีพิษภัยเลยสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะอาออกมาเผื่อแผ่เผยแพร่ออกไปข้างนอกแจกจาก่ายเชื่อใจออกไปหรือเราเองก็ได้อาศัยกินอาศัยใช้ แจกจ่ายเจอจานออกไปก็พยายามที่จะแจกจ่ายเจอจานออกไปอย่างระบบบุนนิยมให้ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ไม่จะไปสร้างหนี้สร้างเวีสร้างบาปใส่ตนให้คนก็ได้รับไปใช้สอยอย่างชนิดถูกเท่าไหรได้เราก็พยายามทํามีเจตนาลมต่างกันทิศทางของทุนนิยมกับเราต่างกันทีเดียวกิจการกิจกรรมเดียวกันแต่ต่างกันอย่างที่กล่าวนี้นี้เป็นต้น แม้แต่กิจการอะไรเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นการศึกษาสาธารณสุขกิจการในเรื่องของวิศวกรรมอ่ากิจการในเรื่องของกสิกรรมกิจการในเรื่องของอะไรอีกอะแม้แต่ขยะวิทยา่ก็แล้วแต่ด่านนั้นด่านนี้ด่านไหน แล้วก็พยายามเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งรองรับของสังคมเป็นสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นอยู่ในสังคมแล้วก็จะเกิดจารที่ประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมกิจกรรมพฤติกรรมของเราเกิดจริงๆเป็นจริงๆเป็นระบบระเบียบแบบแบบแผนของเราจะมีมากขึ้นผลที่มันจะเกิดเป็นรูปประธรรมเป็นตัวเป็นตนก็จะโตขึ้นชัดขึ้น มีรูปร่างที่สัมผัสได้มากขึ้นแม้นามธรรมันก็จะมีนามธรรมมากจนกระทั่งสัมผัสได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเหมือนราศีเหมือนรังสีเหมือนอรูปธรรม ท, ที่เป็นพวกแบบแอ็บสเตรกแต่ก็พอมองออกมันมากขึ้นมันก็จะสอดซ้อนรวมกันขึ้นทั้งมีประสิทธิภาพทั้งพีอานาจฤทธิ์เดชฤทธิ์แรง ถ้ามีสภาพของมันที่คนจะสัมผัสติดสัมผัสได้อ่านได้รู้ได้มากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมรนามาธรรมเท่าที่มันเป็นไปนะอาตมาก็ตั้งใจอย่างนี้ไอ้ทีม่มันเป็นทิศ ท, ทางอาตมาก็บอกให้พวกเราฟังอย่างนี้นะส่วนลึกจะเป็นอภิธรรมก็สอนกรรมกิริยาด้านธรรมดาก็สอนแนะนำอบรมกันบอกกัน บุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงใครจะสั่งสมเอาให้ถึงที่ดีที่ชอบของตอนเองอย่างไรก็ทําเอาเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้พร้อมๆกันสอดคล้องไปได้วยกันยังไงยังไงก็เอานี่เป็นต้นนะอาก็คิดว่าอรรมารได้สาธยายธรรมะสู่พวกเราฟังก่อนที่จะได้ทานข้าวกันก็สมควรแก่เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเา้าพอ